ขอาการหลวงพ่อกรมครับแล้วก็เพื่อนธรรมมีตึกทันเจริญธรรมทุกคนนะก็มีว่างๆบ้างเนาะมีคนมานั่งบ้านะก็เอาตัวเราเป็นหลักแล้วกันนะเราได้ประโยชน์จากการสวดมวนต์ทาวัดนะแล้วก็อาศัยการสวดมวนต์ทาวัดการฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ตนนะ ประโยชน์ในการเรียนรู้ธรรมะนะการฟังก็คือการที่เราได้ได้ทบทวนนะบางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าบวชใหม่เพราะว่ามาศึกษาธรรมะใหม่ๆนะก็อาศัยการฟังเป็นพหูสูตรนะเป็นตัวนําทางให้เกิดปัญญาในการเห็นว่าทิศทางของการเดินทางไปสู่ความไม่ทุกข์เป็นอย่างไรนะ การฟังก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญมากผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ได้เข้าใจหรือผู้ที่รู้แล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะได้ย้ำได้ทวนในสิ่งที่ที่ได้ฟังนะหรือรู้หรือเข้าใจแล้วให้มันชัดเจนมากขึ้นการฟังทำก็ต้องอาศัยใจที่เรียกว่าใจิตใจตั้งมั่นนะ ตั้งมั่นกับการฟังหรือว่าตั้งมั่นในการรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองก็ได้ทั น, นี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราฟังนะฟังแบบไม่ใส่ใจหรือว่าฟังไปคิดไปเรื่องอื่นนะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ในการฟังเราจะฟังอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจิตใจเราเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กำลังฟังอยู่ตอนนั้นเราจะได้ประโยชน์นะไม่ใช่เพียงแค่ว่าจาได้ว่า คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พูดว่าอย่างไรแต่เราจะรู้ทางภายนอกก็คือรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังมีเนื้อหาอย่างไรอาจจะจำไม่ได้ทุกคำพูดทุกประโยคแต่เราจะจำได้ว่าผู้นั้นพูดต้องการสื่อถึงความหมายอย่างไรประเด็นสำคัญที่เขาสื่อออกมาเราก็จับได้ว่าประเด็นสาคัญนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จับ จะกลับมารู้สึกถึงภายในของในใจของเราด้วยขณะที่ฟังนะใจเรามันสงบไหมฟุ้งซ่านไหมคิดตามมากไหมไข้ ค, ควรแล้วเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างใด ร, รู้สึกฟังแล้วถูกอกถูกใจฟังแล้วขัดอกขัดใจนะฟังแล้วเหมือนไม่ได้อะไรหรือฟังแล้วรู้สึกเอิบอิ่ม รู้สึกได้อะไรมากมายอันนี้ก็มันไม่ใช่ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดนะแต่เรารู้ทันปฏิกิยาที่เกิดขึ้นแต่การฟังในใจของเราไหมอันเนี้ยถ้าฟังแบบนี้จะได้ประโยชน์นะ ไ, ได้ประโยชน์มากก็คือว่ากลับมาเห็นปฏิกิริยาภายในใจของเราเองในขณะที่ฟังอานนั้นไม่ใช่แค่การฟังเทศขณะหรือไม่ใช่แค่การฟังพระพูดเท่านั้นแต่ถ้าเราอาศัย เรียกว่ากระบวนการหรือวิธีการแบบนี้กับการฟังทุกอย่างเราก็ได้ประโยชน์จากการฟังมากนะได้ยินเขาร้องเพลงข้างนอกหรือว่าเห็นเขาทำอะไรต่างๆภายนอกซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเป็นคนที่หลงไปกับสิ่งต่างๆภายนอกเราก็กลับมาเห็นใจของเราเองรู้สึกอย่างไรที่ได้ฟังดนตรีสมมตุติมีงานมหอระศพภายนอกนะได้ยินเสียงเพลง บางทีถ้ามาบวชใหม่ๆก็ดีหรือว่าบางทีเพิ่งมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆ ห, หรืออาจจะเก่าก็ดีบางทีใจเราก็อาจจะร้องเพลงไปกับเข้าก็ได้นะหรือบางทีเราก็ไปคิดถึงเรื่องราวที่สนุกสนานเคยเพลิดเพลินภายนอกก็ได้นะหรือบางคนอาจจะฟังแล้วโเกิดความเบื่อนหน่ายเนาะเขาก็หลงกับไปกับโรกแบบนี้เนาะหลงไปกับความสนุกสนานภายนอกนะหลงกับความมึนเมาภายนอก หรืี่ก็ทวนกลับมาดูตัวเองแม้แต่ตัวเราเองก็เคยหลงแบบนั้นนะ่ะที่จริงคนทุกคนนะมันเคยหลงกันทั้งนั่นแหละไม่มีใครเกิดมาเป็นผู้วิเศษไม่มีใครเกิดมาเป็นผู้หลุดพ้นทันทีมีแต่ผู้หลงทั้งนั้นแหละถ้าไม่หลงไม่กลับมาเบียนไหว้ใจเกิดหรอกนะทั้งคนทุกคนมันหลงทุกคนนหละแต่จะหลงมากหรือหลงน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็ที่สําคัญคือใครจะตื่นขึ้นมาได้เร็วมากกว่ากันนะ คล้ายๆเหมือนกับเรานอนหลับนี่นแหละนะอาจจะนอนตอนกี่ทุ่มก็แล้วแต่แต่เราตื่นใครจะตื่นมาได้เร็วกว่ากันนะตื่นจากความหลับม า, มาสู่มาสู่ความรู้นะไม่ใช่แค่ตื่นภายนอกนะก็คือการลุกขึ้นมาจากที่นอนแต่คือการตื่นภายในใจของเราเนี่แหละนะขณะที่เราทําอะไรเรามีความตื่นใจมากน้อยขนาดไหนเราสังเกตตัวเราเองนะยืนเดินนั่ง หรือแม้แต่นอนก็เหมือนกันนะเรามีการตื่นในใจหรือเปล่านะตื่นขึ้นมาแล้วเรียกว่าสัดความง่วงนอนออกไปได้ไหมนะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวต่อเนื่องได้ไหมถ้าเราปฏิบัติรำอย่างต่อเนื่องเนาะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยความรู้สึกตัวก็จะเป็นตัวที่เรียกว่ามาประคองก็ว่าได้แต่ก็ไม่ใช่แบบประคองความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวแบบประคองให้ เราไม่หลงนะแต่ก่อนเราต้องอาศัย ค, ค่อยๆทนุถ น, นอมนะประคองสตินะกลัวสติจะขาดนะกลัวจะหลงไปต้องประคองไม่ให้สติมันขาดไปนะแต่ตอนที่ทำแบบประคองตอนนั้นก็สติก็ขาดบ่อยๆนะขาดบ่อยๆลืมบ่อยๆนะแต่พอทำไปชำนาญมากขึ้นคราวนี้ก็ไม่ต้องประคองไม่ต้องระวังอะไรมาก อติก็เกิดขึ้นได้บ่อยของเขาเองเพราะว่าอะไรมันมีความชำนาญที่จะรู้ตัวนะจะยกมือนะก็รู้สึกตัวจะเดินจงกรมก็รู้สึกตัวจะทานข้าวก็รู้สึกตัวจะบินธบาทก็รู้สึกตัวสักผ้าก็รู้สึกตัวไม่แต่การพูดคุยกับผู้คนก็รู้สึกตัวนะพูดไปแล้วไม่หลงประเด็นไม่พูดแบบเรียกว่าน้ำท่วมทุง่งผักบุ้งหลงเล ง, ลงนะ พูดมีสาระพูดมีแก่นสารไม่ใช่พูดเอาสนุกสนานไม่ใช่พูดเอามันเอาขนองเนี่ยมันก็รู้สึกตัวได้นะ่ะกับการพูดกับการทำงานไม่หลงไปกับงานไม่หลงไปกับโลกอเนะี้ยคือความรู้สึกตัวก็จะเป็นตัวเตือนนะ่ะเป็นตัวรักษาให้เราไม่หลงไปกับการกระทำภายนอกตัเนี้ยก็คือการปฏิบัติธรรมมันมีผลเป็นอย่างมากถ้าเราทำถูกทางนะ่ะ การภาวนาก็จะเป็นผลให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าอ๋อเนี่ยแหละทําแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลง ก, กับตัวเองไหมแล้วก็ทบทวนตัวเองนะบางทีเราบางทีบวชมาหลายปีหรือว่าปฏิบัติธรรมมาหลายหลายสิบปีก็ดีบางทีมันก็เอ้ยทำไมทําแล้วมันต่างจากเก่าน้อยจังเลยนะหรือว่าบางทีเกิดเป็นการสะสมกิเลสมากกว่าเก่าก็มีนะบางทีเราก็ทบทวนดูตัวเอง อะไที่มันไม่ดีในตัวเองเราเนี่ยเป็นคนที่รู้นะไม่มีใครรู้ดีกว่าเราหรอกนะจะให้ครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนมาชี้ตลอดมาแก้ไขให้ตลอดเจอาเป็นไปไม่ได้มีตัวของเราเองเนี่ยที่จะเห็นเห็นความคิดของตัวเองนะมันคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็มีแต่เราเห็นแหละจะให้ครูบาอาจารย์มาชี้ความคิดมาชี้จิตของเราเหรอนะอาจจะมีบางท่านท่านรู้นะแต่ว่า แต่ก็ไม่ใช่ท่านจะชี้ได้ตลอดเวลานะต้องตัวของเราเองเนะี่ยรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ในตัวของเราเองรู้ว่าจิตแบบไหนมันตั้งมัน่นรู้ว่าจิตแบบไหนมันไม่ตั้งมัน่นเราต้องรู้ที่ตัวของเราเองนะแล้วก็จำให้ได้ว่าอ้อสภาวะจิตที่ตั้งมั่นเป็นปกติมันเป็นแบบนี้ความรู้สึกตัวเป็นแบบนี้สร้างให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะใหม่ๆก็ต้องอาศัยการสร้างกันก่อขึ้นไปก่อนนะ เกิการสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมความรู้สึกตัวทีละครั้งนะประคองความรู้สึกตัวทีละครั้งนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคูยจะเหยียดเคลื่อนไหวจะทําอะไรก็แล้วแต่นะพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆนะเพราะว่าถ้าเรามีรู้สึกตัวในตอนแรกถ้าเราไม่ประคองไม่ตั้งใจมากในตอนแรกความหลงมันจะเข้ามาแทรกได้ง่ายมากเพราะว่าอะไรเราเคยชินที่จะหลงนะไปทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอาง่ายๆแค่สมมติอย่างถ้าเราอย่างพระเราเดินบินทบาทนะถ้าเราไม่ค่อยสํารวมตาตาก็จะซอกแทกไปข้างนอกนะไปเห็นนะไปดูเขาดูอะไรไปดูเขาทาอะไรภายในบ้านไปในรถภายในถนนหนทางทีใจก็เราก็จะหลงไปกับสิ่งภายนอกนะหรอบางทีก็หลงเพลิดเพลินคุยกัน เราจะไม่ได้ไประโยชน์ในการเดินบินทบาทนะแตถ่ถ้าเราเดินบินทบาทแบบเออเดินแล้วก็รู้สึกตัวไปคนอื่นก็จะหลงก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่หลงนะก็ตั้งสติแบบนี้จะรู้สึกตัวกับการเดินจะรู้สึกตัวกับการรับบาตจะรู้สึกตัวกับการรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินบินทบาทอะไรแบบนี้เราก็จะได้สติมากอ้อแม้เดินท่ามกลางชุมชนที่ใหญ่แต่ใจเราก็ยังเป็นปกติได้ มันก็เหมือนกับการที่เราเดินในป่าเขาใจเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะจะเดินอยู่ในชุมชนก็ดีจะเดินอยู่นอกชุมชนก็ดีใจเราก็ยังเป็นปกติได้หรือแม้แต่บางทีใจอาจจะเพ้อไปตามอารมณ์ภายนอกนะหลงไปบ้างแต่มันก็กลับมาได้อันนี้แหละคือการฝึกทางนั้นนะจะอยู่ในวัดก็ดีออกไปข้างนอกก็ดีถือว่าเป็นสถานที่ในการฝึกนะเราก็ต้องฝึกแบบนี้กลับมาบ่อย่นะ แรกแรกนะสติมันก็เผลอไปเป็นธรรมดาอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรําคาญอย่าไปโทษตัวเองว่าทําไมเราถึงเผลอทําไมเราถึงหลงทําไมมันไม่รู้บ่อยๆนะทำไมหลงเป็นนานจังนะอย่าไปย้ําความผิดตัวเองอะไรที่มันผิดไปแล้วก็ให้มันผ่านไปตั้งหลักใหม่ตั้งต้นใหม่นะ่ไม่เป็นไรนะบอกตัวเองอะไม่เป็นไรอาจจะลงมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่จะเอาชาตินี้แหละเป็นชาติที่ตั้งต้นใหม่ ให้เปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้ให้ได้นะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้ในชาตินี้นะจะรอชาติหน้ า, นาชาติหน้าจะมีพระพุทธเจ้ามีศาสนาหรือเปล่าโอ้เป็นเรื่องที่ไม่มีไม่มีใครบอกได้นะถ้าเราจะไม่เข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆนะมันรับประกันไม่ได้เลยว่าเราจะตกต่าหรือเปล่านะแต่ถ้าเราเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆเอ้อันนั้นแหละรับประกันได้ว่ายังไงยังไงก็ไม่ตกต่ํา ยังไงยังไงก็มีแต่จะสูงขึ้ น, นเรื่อยๆมีแต่พัฒนาขึ้ น, นเรื่อยๆนะ่นแหะถ้าเราฝึกตัวเองให้บ่อยๆในภพชาตินี้แหละอดีตจะผ่านไปแล้วนะเป็นอย่างไรช่างหัวมันน่ะช่างหัวมันมีแต่มาตั้งต้นใหม่ในปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละจะทําให้อดีตมันดีนะปัจจุบันเนี่ยจะทําให้อนาคตมันดีมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเป็นตัวกําหนดให้อดีตมันผ่านไปด้วยดีเพราะว่าถ้าเรามีสติในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตนะเป็นวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นวันที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทำผู้ที่มีสติในการทางานผู้ที่มีสติในการารู้สึกตัวอยู่กับตัวเองนะอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะมีสติไม่ต้องไปอวดใครมีสติรู้สึกตัวภายในก็พอรู้ทันอะไรมีสติก็คือรู้จักตัวเองนะกลับมาดูตัวเองบ่อย ดูเลยนะดูตัวเองแบบไม่ใช่ตัวเองนะ น, นี่คือภาษานะดูตัวเองแบบเรียกว่าเป็นผู้สังเกตอาการที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้สังเกตดูไอสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราคืออะไรร่างกายนี้มันเป็นตัวเราอยู่ที่ไหนมันบังคับได้ไหมร่างกายนี้มันเป็นตัวเราไหอถ้าเป็นตัวเราต้องบังคับได้สินะไม่ให้แก่ได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ให้ปวดได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ให้ตายได้ไหม ก็ไม่ได้มันบังคับอะไรได้นะจะกินนะก็บังคับไม่ได้นะนะจะให้อิ่มตอนไหนบังคับได้ไหมก็ไม่ได้นะอันเนี้ยลองดูมันเป็นของเราที่ตรงไหนมันมีแต่ท่าที่ประกอบกันลองดูก็ได้บางทีบางคนทำสมาธิหรือว่าจิตตั้งมั่นบางทีก็ทบทวนดูก็ได้ดูการนี้สิมันเป็นของเราที่ไหน มันมีแต่ท่าที่มาประกอบกันเท่านั้นนะไอ้จับดูก็ได้นะจับดูแขนจับดูขาจับดูเนือ้อจับดูกระดูกเออมันเป็นท่าเท่านั้นนะท่าดินเห็นไหมท่าดินน่ะเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องตายไปเดี๋ยวก็ต้องไปเผาแล้วน่ะเนี่ยท่าดินดินเดี๋ยวมันก็จะย่อยสะ้ายไปกับธรรมชาติแล้วน่ะดูซิท่าดินเป็นแบบไหนท่าน้าเป็นแบบไหนน่ะ หมุนเวียนเข้าไหลออกไปนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่าลมเป็นแบบไหนพัดขึ้นพัดลงเป็นอย่างไรอยู่ภายในเป็นแบบไหนอยู่ภายนอกเป็นแบบไหนดูสิท่าไฟเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อุ่นนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีแต่ท่าที่ประกอบกันเท่านั้นนะลองดูดีๆนะมีสติแล้มัใจเข้าใจแม้ไม่ได้พิจารณาแบบใครควรแบบ ตั้งใจคิดแต่บางทีมแค่มีสติมันก็จะแว บ, บขึ้นมาให้เราเข้าใจเองว่าอ๋อร่างกายนี้เป็นเพียงแค่ธาตุที่มาประกอบกันเนาะนะรูปรูปธรรม ท, ที่เราต้องเกี่ยวข้องเนี่อรู ป, ปรขันเนี่ยมีแต่ธาตุเท่านั้นนะดินน้ําลมไฟประกอบกันไม่มีความเป็นตัวของเราเองอยู่ที่ไหนนาะนะชื่อก็มาทีหลังนะชื่อพระชื่อโยมชื่อนั่นชื่อนี้ก็มีแต่คนแต่งตั้งเกิดขึ้นมาแล้ว มันมีชื่อที่ไหนไม่มีพ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่ตั้งให้บางคนก็ไม่ชอบชื่อพ่อแม่ตั้งก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่หวังว่ามันจะดีกว่าเก่ามันก็จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไปเชื่อตามเข้บอกกันไปแต่เราจะดีก็ต้องดีวยตัวของเราเองไม่ใช่ดีเพราะว่าชื่อมันดีนะถ้าชื่อดีแล้วโอ้คนที่ตั้งชื่อนะั่นเขาดีกว่าเรานะเพราะว่าอะไรเขาสามาตั้งชื่อได้สมพัมากมายนะที่จริง ชื่อดีมันก็ดีนะแต่ตัวเราดีตามชื่อหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สาคัญนะเรา ก, กลับมาดูดูเลยเออร่างกายนี้มันใช่ของเราที่ไหนนะดูมันทุกข์อย่างไรเห็นมันทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์เป็นแบบไหนเห็นกายมันทุกข์เห็นกายมันแก่เห็นกายมันเจ็บเห็นกายมันจะตายแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรด้วยน้ำทำแบบไหนเราก็ฝึกบบ น, นะอ๋อฝึกถอนออกมา เมื่อไรที่มันไปหลงไปยึดก็ออกมาใหม่หออลงไปแล้วเนาะอะไม่เป็นไรรู้สึกตัวใหม่บางทีการเห็นความหลงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเห็นว่ามันหลงไปไปยึดเห็นว่าหลงไปทุกแล้วตื่นออกมาได้อ น, น่ะมันดีคล้ายๆเหมือนกับเราไปจับไฟถ้าเรายังมีความรู้สึกตัวอยู่จับไฟมันก็ต้องร้อนเมื่อมันร้อนเราก็ปล่อยออกมาถอนออกมา น, นั่นแหละดีแต่ถ้าคนไม่มีความรู้สึกตัวนะ คนที่เป็นอมพึกอมภาตไปถูกความร้อนไปถูกความเย็นไปถูกของที่ดันแรมทิ่มแทงเขาก็ไม่รู้สึกตัวอันนั้นแหละก็เรียกว่าย่อมได้รับความทุกข์แบบไม่รู้ตัวได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยมากไปกว่าเก่าแต่ถ้าเรารู้สึกตัวจะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะโดยเฉพาะการรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับ ในใจนะอ๋อเห็นเลยใจเราไปหลงไปยึดไปทุกข์แล้วมันถอนออกมาได้ใจเราไปเพลิดเพลินสนุกสนานกับภายนอกมันก็ถอนออกมาได้หรือแม้แต่บางทีมันก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยพอดีเนาะมันก็เพ่งก็จ้องก็ตั้งใจเกินไปนะเอาจริงเอาจังเกินไปเครียดเกินไปนะแล้วก็กลับมาเห็นโอ้อใจที่มันเป็นแบบนี้นะทาไมปฏิบัติธรรมไปแล้วมันทุกข์มันอึนอดอดัด มันไม่สบายอ๋อเราตั้งใจมากเกินไปเนาะตั้งใจเกินไปเอาจริงเอาจังเกินไปจ้องเกินไปเออปล่อยบ้างดีกว่านะหรือบางทีเราก็ทุกข์เพราะว่าอยากจะได้นะทำไปแล้วอยากจะได้ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นะได้ยินของข้อครูบาอาจารย์ท่านอยากจะได้ตามท่านบ้างนะอยากจะเป็นอยากจะเอานะที่จริง ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะเป็นเพื่อจะเอานะแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะปล่อยเพื่อจะวางเพื่อจะละเพื่อจะเลิกนะปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นไม่เอาทั้งนั้นนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานะทำไปแบบไม่เอาทำไปแบบทิ้งนะทิ้งอะไรทิ้งการหวังผลนะทิ้งการเป็นตัวเรานะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอานะแต่ปฏิบัติเพื่อที่จะทิ้งนะทิ้งอะไรที่มันยึดติดถือมั่น ทิ้งความโลภความโกรธความหลงนะทิ้งความเป็นเราทั้งนั้นไม่ใช่เราดีไม่ใช่เราไม่ดีทิ้งความเป็นเรามีแต่ความดีและความไม่ดีหรือความเป็นกลางกลางแต่ทิ้งความเป็นตัวเราออกไปเนี่ยคอยดูดีๆที่จริงแท้ที่จริงแล้วความเป็นตัวเราที่แท้จริงมันก็ไม่มีหรอกมันมีแต่ความหลงท่านั้นที่ทาให้เราคิดที่ทาให้เรายึดว่าอันนี้คือความเป็นตัวเรานั้นถ้ามีสติจะเห็น เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตที่ลงเข้าไปยึดความคิดเข้าไปยึดอารมณ์เข้าไปยึดอาการต่างๆว่าเป็นตัวเราสติก็จะถอนนะก็จะตัดตัวเราออกมาแต่ก็มันก็ยังมีอารมณ์ยังมีความคิดอยู่นะนะผู้ที่มีผู้ที่มีสติก็ยังต้องมีอารมณ์เป็นปกตินะรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างรู้สึกเป็นกลางๆเฉยๆบ้างแต่มันก็แค่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะ ไมีความคิดเกิดขึ้นบ้างนะแต่มันก็จะรู้ทันว่าความคิดนี้ไม่ใช่ของเราบางทีก็หยิบความคิดเอามาใช้บางทีก็ปล่อยความคิดนั้นไปก็เป็นธรรมดาบางทีอารมณ์เกิดขึ้นมาเป็นปิติเป็นความสุขก็รู้ว่ามันสุขก็รู้ว่ามันปิติก็ดูมันไปมันจะเกิดขึ้นต่อไปก็เก็เรื่องของมันมันจะดับไปก็เรื่องของมันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ความคิดเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำหน้าที่เพียงแค่ดูมันยังไม่จบก็เรื่องของมันมันจบไปแล้วก็ไม่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราน่ะจิตที่ตั้งมั่นจะเป็นแบบนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอาการที่เกิดขึ้นก็เป็นผู้ดูเฉยๆดูไปแล้วก็ยังไม่ดับก็ เ, เรื่องของเขาไม่จ้องจะให้มันดับนะเพราะว่าาบางทีถ้าเราเอออยากจะให้มันดับท่าเดียว ดับแล้วถึงจะดีไม่ดับแล้วถือว่าไม่ดีนั่นก็คือเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับอาการของจิตเช่นนั้นแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเก็แค่ดูมันนะมันจะหายไปไม่หายไปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็ดูแบบนี้ไปสติที่ทำหน้าที่เป็เพียงผู้ดูผู้สังเกตนะมันจะไม่เข้าไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆนะแต่ถ้าบางครั้งสติไม่ต่อเนื่องไม่ตั้งมั่นจริงก็เผลอเข้าไปเป็น ก็รู้สึกตัวใหม่ถอนออกมาใหม่ก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็ต้องเรียกว่ารู้จักให้อภัยตัวเองบ้างบางทีก็หลงก็เผลอเป็นธรรมดาของปุถุชนนะเผลอไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ไม่เป็นไรขอเพียงแต่ ว, ว่าให้กลับมาให้ได้บ่อยๆให้กลับมาให้ได้เร็วๆนะี่อันนี้คือหลักสําคัญมากไม่ใช่ว่าจะฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่หลงนะฝึกให้มันรู้อย่างเดียวตลอดไปทั้งวันทั้งคืน แต่เราฝึกเพื่อให้ตื่นจากความหลงให้ได้เร็วๆตื่นจากความหลงให้ได้ไบ่อยๆอันนั่นแหละคือสติมันมีกำลังนะมันกลับมาได้บ่อยไหมอันนี้นคือการปฏิบททนะัติธรรมนะเมื่ออย่างที่หลวงพ่อคเขียนมักจะแปลให้พวกเราฟังปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการเปลี่ยนนะปฏิบัติคือการเปลี่ยนปเปลียปล่ยนจากความหลงเป็นความรู้นะเปลี่ยนจากาเรียกว่าภาวะที่เข้าไปอยู่กับความคิดนะ กลายเป็นดูความคิดนะหรือเป็นภาวะที่เข้าไปจ้องเพ่งอยู่กับกายมากเกินไปเป็นสมถะก็ตื่นออกมาเป็นวิปัสนาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอาการเฉยเฉยธรรมดาอันเนี้ยมันตื่นออกมาได้คือเปลี่ยนนะเปลี่ยนสิ่งที่หรือบางทีหลวงพ่กอก็บอกว่าเปลี่ยนจากไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้คือการเปลี่ยนออกมาเปลี่ยนออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นอาการที่เขาแสดงเฉยเฉ่นนะอันนี้คือการเปลี่ยน และการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากก็ให้พวกเราทุกคนได้ใส่ใจนะดูตัวเองฝึกตนเองนะเราทําที่ตัวเองนเป็นหลักแล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนะถ้าเราอยู่เป็นหมู่คณะมากๆยิ่งต้องทําตัวเองให้มันเรียกว่ามีสตินะเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นอารในนามิตรเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนอีกส่วนหนึ่ง บางทีเพื่อนอาจจะหลงไปนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปตาหนิเตียนคนอื่นหรอกนะเราก็ให้อภัยเขา เ, าเขาอาจจะหลงไปเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้ทันตัวเองเตือนตัวเองไม่ให้หลงไปกับเขาส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเรามีสติปัญญาพอสามารถมีการะเทศะที่จะบอกได้ เ, เราก็บอกนะเธอหลงไปแล้วนะหรือบางทีอาจจะไม่พูดโดยคำโดยวาจาเราก็แสดงพฤิกรว่า ในสภาวัดที่ไม่หลงเป็นแบบนี้นะเธอรู้สึกตัวบ้างนะอะไรนะก็ก็บอกกันแบบนี้ก็ได้บอกภายนอกบ้างบอกภายในบ้างนะแล้วก็เตือนตัวเองบ้างเตือนคนอื่นบ้างเนี่ยจะเป็นการันตีกันที่ดีมากโดยเพราะเราพวกเราอยู่ในวัดนะสิ่งแวดล้อมมันดีอยู่แล้วนะอากาศดีอยู่แล้วสถานที่ดีอยู่แล้วอาหารก็ดีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็ชั้นยอดอยู่แล้วนะเหลือแต่เราเนี่ยที่ต้องทาตัวเราเองนะ เราจะมาอยู่ที่ดีแล้วจะกลายเป็นจะกลายเป็นดีเองก็ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกนะไม่ใช่ว่าจับมาทุกสิ่งทุกอย่างมาปล่อยอยู่ที่วัดแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองน่าเป็นไปไม่ได้มาอยู่ที่การฝึกของเรานะแม้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่กระทาตามคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์เราก็จะไม่ได้ตามสิ่ ง, งที่ท่านอ่าสิ่งที่ท่านได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคล้าย เราไม่ใส่ใจตัวเองนะครูบาอาจารย์จะดีเดอร์ประเสริฐขนาดไหนถ้าเราไม่ใส่ใจทําตามท่านก็ดีก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่จะได้ประโยชน์มากหรือแม้แต่บางทีเราไปอยู่ในที่อื่นอาจจะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราคอยดูตัวเองเตือนตัวเองฝึกตัวเองอย่างเบบไวเออมันก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ย ัการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตัวของเราเองนี่ เ, เป็นหลักแต่เราก็อาศัยครูบาอาจารย์อาศัยกัญยมิตรครูบาอาจารย์กัญยมิตรนี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากในการที่จะทําให้เรากลับมาสะท้อนดูตัวเองนะคําพูดครูบาอาจารย์ท่านเทศเมื่อไรนะตั้งใจฟังไว้เลยนะท่านสอนนะอาจจะสอนใครก็ไม่รู้แหละนะแต่เรากลับมาดูตัวเองให้ได้ว่าดูตําหนิดูข้อบอกพร่องในใจของเรา ในตัวของเราเป็นแบบไหนแก้ไขพัฒนาไปอ๋อถ้าเรามีปัญญาฟังธรรมะทุกครั้งเนี่ยจะได้จะได้เห็นเลยว่าข้อบกพร่องของตัวเองเป็นแบบไหนเออวันนี้ครูบาอาจารย์เทพแบบนี้เราจะแก้ไขตัวเองแบบนี้เราจะพัฒนาตัวเองแบบนี้อ๋ออันนี้ท่านเทพสอนเราเนาะน่ะเราก็ดูตัวเราเองน่ะท่าจะตั้งใจถึงเราหรือเปล่าแต่ไม่รู้แหละแต่เราได้ฟังแล้วเรากลับมาทบทวนตัวเองเออได้พัฒนาตัวเองตรงนี้นะอันเนี้ย ฟังหรือบางทีท่านไม่สอนด้วยคำพูดก็ดูปฏิกิยาภายนอกออครูบาอาจารย์ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสท่านมีปกติเป็นแบบนี้นะถ้ามีปกติไม่เอาอะไรแบบนี้เราก็ดูอ๋อเราแล้วก็ทำตามท่านนะอันนี้ก็คือเราจะได้ประโยชน์มากเมื่อเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราจะได้ประโยชนจากการได้ฟังได้ประโยชนจากการได้เห็นได้ประโยชนจากการสัมผัสนะในสภาวะธรรมที่ท่านเป็น หรือบางทีเราก็อาศัยอาจจะไม่ถึงกับครูบาอาจารย์ก็ได้อาศัยดูเพื่อนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอ้อบางทีเห็นพระบทใหม่เนี่ยตั้งใจขยันภาวนามากาก็น่าอนุโมทนานเพราะว่าอะไรยิร่งใหม่ให่ยิ่งต้องตั้งใจคล้ายๆกับงานก่อสร้างงานเสาเข็มงานพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานเนี่ยปีกจะเรีย ก, ก, ก, กว่าไม่เช่ถึงปีหลัก วันแรกๆเดือนแรกๆนี่แหละเป็นพื้นฐานที่สําคัญถ้าเราตั้งใจภาวนาตั้งใจฝึกหัดตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัยดีๆตั้งใจในการเรียนรู้ดีๆตองนั้นจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากทําให้เราต่อยอดได้กลายเป็นพระที่ดีได้หรือบางทีอาจจะสึกออกไปก็สามารถกลับไปเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาได้นั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญมากนะพื้นฐานในการดูกายดูใจพื้นฐานในการเรียกว่าสํารวมอา ย, อายตนะด้วยนะตาหูจมูกดิ้นกายแล้วก็ใจมีความสํารวมสํารวมก็คือการรู้ทันรู้ทันรู้ทันสิ่งที่กระทบทางตารู้ทันสิ่งที่กระทบทางหูไม่ใช่แค่รู้ว่าเห็นอะไรนะแต่รู้ว่าเห็นอะไรแล้วใจรู้สึกอย่างไรแบบนี้ คือการรู้ทันนะเห็นภายนอกกลับมาเห็นภายในได้ยินแล้วเออไม่ใช่แค่ได้ยินว่าเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงนอกเป็นเสียงคนหรือเขาพูดคำอะไรแต่เห็นแล้วกลับมาดูใจเรานะชอบไม่ชอบเฉยเฉยอย่างไรรู้ไม่รู้อย่างไรก็กลับมาเห็นที่ตัวเราเองนี่คือการสํารวมอายตนะไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจนะแต่ให้มันดูไปเท่าที่มันเรียกว่า มีความเหมาะสมนะดูแล้วก็กลับมาย้อนดูตัวของเราเองนะไม่ใช่ไปแ ส, สายหาดูนะดูนั่นดูนี่แต่เราดูเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้อง ก, กับโรคแล้วก็ดูมันไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวของเราเองอันนี้แหละคือการฝึกหัดทั้งนั้นดังนั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะดังนั้นพวกเราอาจจะบวชใหม่ๆยิ่งบวชใหม่ๆ ห, หรือบางทีอาจจะบวชมาปี2งปี3ปีแล้วก็เรียกว่า ให้เอาพื้นฐานให้มันแน่นถ้าพื้นฐานมันแน่นนะมันก็จะก่อมันก็จะต่อไปได้เรียกว่าสูงเหมือนกับฐานเจดีถ้าฐานมันกว้างฐานมันแน่นนะก็ต่อยอดขึ้นไปได้สูงนะได้สวยนะยติโยมก็เหมือนกันนะอาจจะฝึกหัดมาหลายปีแล้วก็ไม่เป็นไรก่อฐานสร้างฐานให้มันแน่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะบุญกุศลที่เราทามานั่นแหละคือ คือฐานหลายคนเคยทําทานหลายคนมารักษาศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนานเะน่ยเป็นพื้นฐานทั้งนั้นนะเป็นการสะสมทั้งนั้นแล้วก็มาต่อยอดสติปัญญาให้มากขึ้นรู้สึกตัวให้มากขึ้นแม้อดีจะผ่านไปแล้วหลงไปมากน้อยขนาดไหนอะไม่เป็นไรมาตั้งฐานใหม่มารู้สึกตัวใหม่ที่ปัจจุบันนะเราทําปัจจุบันที่ดีนี่ยจะเป็นการเรียกว่าซ่อมแซม ไอสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตให้มันเรียกว่าดีขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นการต่อยอดอนาคตขึ้นไปวันนี้มันรู้สึกตัวได้วันพรุ่งนี้มันก็รู้สึกตัวได้นะวันวินาทีนี้มันรู้สึกตัวได้อนาคตวินาทีต่อไปมันก็รู้สึกตัวได้มันเป็นเชื้อที่มันต่อยอดขึ้นไปได้แต่บางทีเราก็จะไปคาดหวังว่าอ้วันนี้ปฏิบัติทาดีีนะรู้สึกตัวดีวันพรุ่งนี้จ้องดีแบบนั้นอีกนะอ่วันนี้ ได้เห็นอาการอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นความก้าวหน้าของการภาวนาไม่ต้องต่อยอดขึ้นมาตลอดเวลาบางทีก็ไม่ใช่นะบางทีบางวันปฏิบัติดีดนะีวันต่อไปเอา้าพี่ไปอีกคนละด้านเลยทำไมอะเพราะว่าเรามีความอยากมีความอยากจะได้แบบนั้นอีกนะมันก็เลยไม่ได้นะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำเหตุไปผลจะเกิดมาเช่นไรอ่ะก็เรื่องของมันเออมันจะดีก็เรื่อง ของมันมันจะไม่ดีก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็ดูมันไปอ๋อวันนี้มันวันนี้มันปกติดีอ้าววันพรุ่งนี้มันง่วงเงื่องง่วงก็เรื่องของมันเห็นไหมว่าอ้อบางทีความง่วงภายนอกแต่ความสว่างภายในมันมีนะคล้ายๆเหมือนกับอากาศอากาศที่มันเรียกว่าสะดัวสะดัวเมฆหมอกหนาตาเนี่ยพระอาทิตย์เขาก็โผล่ขึ้นแล้วแหละแต่เมฆหมอกมันหนา มันจะเห็นไหมว่าอ้อภราทิตก็ส่วนหนึ่งเมฆหมอกก็ส่วนหนึ่งนะจิตภายในของเราก็ส่วนหนึ่งความวุ่นภายนอกก็ส่วนหนึ่งจิตภายในที่เป็นปกติก็ส่วนหนึ่งอาการความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นส่วนหนึ่งจิตภายในที่เป็นปกติก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะบวกจะลบจะดีไม่ดีมันก็เป็นคนละส่วนกันจะเห็นไหมอ้อมันเป็นคนละส่วนกันนะ อารมณ์กับจิตที่แท้จริงมันเป็นคนละส่วนกันอาการภายนอกกับอาการของจิตภายในที่แท้มันก็เป็นคนละส่วนกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของรูปซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันให้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วนันเราก็ดูมันไปดูเห็นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วจิตที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรกับทั้งกายแล้วก็ทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนั้ น, นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น มีสติเมื่อจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสังขารร่างกายมันเป็นอย่างไรนะมันมีความเป็นไปอย่างไรนั้นปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยแปลว่าอะไรคือความเข้าใจในกองสังขารกองสังขารก็คือกองรูปกองนม้มนะรูปก็ประกอบด้วยธาตุสีนะธาตุดินน้ําลมไฟน้ำก็ประกอบด้วยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดมวนต์ธรรมบัตรกันทุกวันนี่แหละ ดูมันไปนะไม่ใช่สวดแล้วก็ไม่รู้สวดไปเียแค่จําได้แต่สวดให้เห็นเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะอ้รูปมันเป็นท่าสีแบบนี้เนาะนามประกอบด้วยเวทนาแบบนี้เนาะบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้างบางทีก็เฉยบ้างนะสัญญาเป็นแบบไหนนะสัญญามันเที่ยงอย่างไรมันจําได้ตลอดไหมเออมันก็จาไม่ได้ตลอด บางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาสังขารปรุงแต่งเช่นไรนะไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างไรนะวิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกเป็นแบบไหนรับรู้แล้วก็ดับไปนะทาหน้าที่เพียงแค่รับรู้เท่านั้นตาหูจมูกเป็นเพียงแค่ช่องรับเฉยๆช่องภายในใจเป็นแบบไหนไปยึดไปติดมันไหมนั่นะก็ดูมันไปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรก็ดูมันไป นอันนี้คือเกิดปัญญาในการเข้าใจในกองสังขาร น, นะในกองรูปในกองนามอันนี้แหละเป็นปัญญาซึ่งพวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ว่าแต่ฝึกหัดขัดเกลให้มันเข้าถึงให้มันได้ลวกันเนาะเพราะว่ามรรผลนิพพานมันก็อย่ายไปรอชาติไหนทำให้มันได้ในชาติเนี้ยแหละนะตั้งใจทาแตเา่เราตั้งใจทำอะไรตั้งใจทำเหตุก็คือตั้งใจนะเรียกว่า ฝึกสตินะเพื่อให้เกิดปัญญาตั้งใจมีศีลก็คือความเป็นปกตินะความเป็นปกติของกายแล้วก็วาจากายวาจาจะปกติได้ก็ต่อเมื่อรู้เท่าทันรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันความคิดนะเพราะว่าก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำมันมีความคิด ม, มีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดมันหยุดที่ความคิดนะมันตัดที่ความคิดตัดที่การปรุงแต่งตงนั้นได้ กายก็บริสุทธิ์ใจก็วาจาก็บริสุทธิ์เพราะว่ามันอะไรมันตัดที่ใจมันมันรู้ทันที่ความคิดแล้วมันก็รู้จักพูดก่อนพูดมันก็ต้องคิดนะนะก่อนทํามันก็ต้องคิดเนี่ยสติมันเข้ามาหยุดที่ความคิดที่มันปรุงแต่งทางไม่ดีคาพูดมันก็ดีเองนะการกระทำมันก็ดีเองเนี่ยมันก็เกิดเป็นศิลที่ปกตินะสินคือความเป็นปกติของกายวาจา สมาธิคือความตั้งมั่นความมีเรียกว่าตั้งมั่นในการทําอะไรก็เรียกว่ามีปกติอยู่นะไม่ลงไม่ไหลไปนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูตั้งมั่นก็คือสภาวะของความเป็นผู้ดูดูอารมณ์ดูอาการดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายกับใจดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่คือจิตที่ตั้งมั่นนะสมาธิไม่ใช่แค่ว่าโอ้ลอ ย, ลอยเบาๆสุขสบายเคลิ้มๆนะไม่ใช่ แต่สมาธิคือตั้งมั่นควรแก่การงานนะการงานภายนอกการงานภายในก็ทำได้ไม่ได้เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาการเอางานแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนบ้าการบ้างานแบบทำแบบลืมเนื้อลืมตัวแต่ก็ทำภายนอกก็ไม่ลืมงานภายในไม่ลืมว่าอ้อเราทาภายนอกเป็นเพียงแค่กียาภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องเกี่ยวข้องกับสังคม งานภายในเราก็มีเองานคือคือดูกายดูใจของเราเนี่ยแหละนะงานภายนอกคนอื่นจะอาจจะพอช่วยกันได้เราไม่ทําก็มีคนอื่นทําได้นะแต่งานภายในไม่มีใครช่วยเราได้นะต้องกลับมาดูองานภายในคือการเรียนรู้กายใจฝึกหัดกายใจเนี่ยเเออป็นการภายในเราก็ทําคู่กันไปเนี่ยธรรมาที่คือจิตตั้งมั่นคนแก่การงานแล้วก็ดูแล้วก็ทำแล้วก็ฝึกหัดไปนะ มันจะเกิดเนี่ยศีล ส, สมาธิก็จะเกิดปัญญาเข้าใจรอบรู้ในกองสังขาร น, นะสังขารร่างกายจิตใจเป็นแบบไหนอันเนี้ยก็พูดให้ฟังให้เป็นข้อคิดให้เป็นเครื่องนำทางให้เป็นเครื่องฝึกจิตนะม้แต่ผู้พูดเองบางทีก็เป็นการพูดเตือนพูดสอนตัวเองด้วยนะพูดให้คนอื่นฟังด้วยพูดสอนตัวเองด้วยนะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ประโยชน์ในการพูดนะ ได้ประโยชน์กับตนเองได้ประโยชน์กับผู้อื่นนะเราก็อาศัยคำพูดเป็นเครื่องนำทางเอาไปพินิจพิจรารณาแล้วก็เอาเป็นเครื่องฝึกหัดในการปฏิบัติของเราแล้วกันเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนะให้ให้ได้ในพบชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน